จริงแล้วทำที่เป็นที่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ไปบอกไปสอนคนดื่นให้ทำลองดูว่าทำแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ ส, ส, สก็คือว่ามีคณมาทำขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราตามภุมทธรรมของผู้ปฏิบัติรู้ยิ่นเหือจริงในธรรมที่ควรทุกควรเหือตามทุกคนเจอผู้ปฏิวัตินั่นชื่อว่าเป็นสม ตั้งแต่พระสงฆ์ววางเึ้นไปพระสกธิธาธามีพระนาธานีพระอาา ร, ระอาหันต์ที่สุดถ้าปฏิบัติตามธรรมเดินแล้วไปสอนคนอื่นคนอื่นก็รู้ตามเรียก ว, ว่าพระสงฆ์ถ้ารู้แล้วไม่สอนคนอื่นเรียก ว, ว่าเป็นเกศกัด ปรจเกศาพุทธไม่ใช่พระสงฆ์ตัดช่องนอ่ัวตัวไม่ค่อยมีประโยชน์ราจนะจะอยู่ได้ก็เพะ ม, มีพระสงฆ์ที่เป็นคู่ปฏิบัติตามคาสองของพระเจ้านั่นแล้วใน้ปฏิบัติตามแล้วก็รู้เรื่งเห็นจริงไปสอนคนอื่นให้รู้ตาม ก็อยู่ได้โดยเหตุที่รื่นขนก่ายทั้งสองกวารู้อะไรก็บอกกันผู้ที่ฟังฟังเอาไปทำดูทำใก็เกิดขึ้นมาฟังแล้วไม่ให้จำเอาฟังแล้วนำไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วจำได้ของปลอม ใครก็จำได้ยังไม่ทำไม่เป็นจำได้จากปากเป็นภาษาลูกแข้วลูวกขนทองถ้าเอากระถาแล้วมันเป็นไม่ใช่ลูกคําว่าเป็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเอง เมื่อมันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์แต่มเป็นไม่ต้องหักมันมีอะไรเกิดขึ้นก็มีตรงมันข้ามจนที่สุดมีเกิดต้องมีไม่เกิดมีแย่ต้องมไม่แจ่มีเกิดต้องมีไม่เกิดมีตายต้องมีไม่ตามันเป็นมันประานนั่นแต่ทุกข์ปรนทุกข์ไม่ทุกข์แต่ไม่เกิด่มันจะรู้ สาธุไม่ทุกทำกันแล้วเราจะมีสักทาเรื่องนี้จริงๆถ้าจะนับหัยหลังปอีกสองห้าร้อยเก้าบเก้าปีก็มีสามัญชนได้ทำเรื่องนี้ในช่วงสัปดานี้มีสามัญชน ที่ศึกษาเริ่อชีวิตนี้ไม่พิสูจน์เรื่องนี้ถ้าจะกมโูภาพดูพ ก, ก็คงจะหลอนแรงจากตรงคลัสสิลิโตโนวาทางใต้ของแม่น้ำในรังสล า, ลาจนน้าจะจับลูกจับนั่งเพราะทรมานกายไม่กินข้าวไม่ หายใจบางข้างมาข้าวจนหอมคือหลือจะกระนังหู ก, กระตูกก็คิดก็เห็นเป็นผิดแล้วังไม่ยอนตายก็ไม่ยอมจะหาเรื่องนี้ออกจากตรงขั้สลิดถ้ำตรงข้าสลิตมาทางบาน เด็กจ yep. ุดากลบ้านจุดแคตาเกียรตเกียรตะกาเส้นฝังนั่งวนฟังร่มไม้นิโค่ต้นนิโคร่รหมวนต้อนอยู่ที่โรองถางต้นนั่งไหล เดี๋ที่รงชานว่าพาสโกโต้ต้อนมีโทษเป็นไม่เอเชียนสุดชาดาเห็นว่าเป็นทปเทพเจ้าก็หวา์เข้ามาทุกปจ้าก็ามาไม่ไปเรียกไม่แรงก็เลยฉับซักเพื่อจะดูเรื่องนี่ต่อไปอีกมันคืออะไรธนาจจับลุกจับน้ำจับขึ้นฝั่งแม่น้ำ ต้องทรงกระตุ้นมางทีเด็กเลี่ยงวัวเลี้งควายเห็นก็อาจจะคิดว่าเป็นคนขาดอาหารอาจจะรีบนมวัวนมกงควายมาให้ก็ได้บาีเรียวไม่แล้บางนั่งก็ยังไม่กิเลสตั้งหามาทักอยู่จังโกรธปรจัจจาบียังคิดถึงกินพาราหุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถ้ายังมีโกก็ต้องมีหลงไปอีกหลายอย่างัอใจไม่พอใจก็เห็นตัวเองก็เลยมามองว่าอาจจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณที่มันมกพูดคุนคิดอะไรได้มาเกิดจากความคิดความหลง เวลาแมาตั้งจเด็กวัวจริงตรงเด้ในที่ส่วยีเดี่ยวแดงเข่เข้านัางสุจราแล้วก็เปลี่ยนที่ใหม่เจ็บนั่นตรงที่ทุง่งอาจจะมีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเต็มไปหมดมีทุง่งนานาข้าวก็เปลี่ยนที่เดินทางฝั่งมาน้ำโดยลันชะลา มาความทุตมตกได้ย่าคาโสกิพามถวายให้ห้าจำเลยไม่มีเราจะให้เป็เขี่ยวย้าก็เห็นเจอชักเจสโซายคนเดียวด้วยช่วงเนี้ยปันเจา้าเชียนี้จากแล้วเห็นกินข้าวผมว่าเป็นคนมากมากไม่มีทางที่ได้ตัดจะรูแล้ว ทอดทิ้งไปแล้วโดยเฉพาะเราเดินขึ้นไปบนเนินพุทธคยาอาจจะเป็นป่าตรงนีจนไม่เหยียดๆแตาแท่นน้ำนก็ยังม่อยู่ทุกวันนี้ไปยาขาห้ากรรมเป็นนั่งเข้าแขนเข่ายดแขนดอมีสถียองดูบันทึ มันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีสติดูมันดีสิไม่เคยดูกายทูใจก็เล่นแขนเข้ารู้สึกแขนออกรู้สึกามแบบนี้สี่แรกมันมีหนังสือทำลับตำราอ่านออกกายออใจนี่แหละเป็นตำราศึกษามาดูเรื่องกายเล่นมาจนหมดแล้ว ถรามามันจะหนักแล้วมันมีสติด้วยซี้ก็จะเห็นมันคิดที่ว่าความเพลนทางกิตสติก็เป็นนามธรรมาให้มาดู ก, กาที่มันเป็นรูปนี่ถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็จะไปเห็นความคิดนามต่อนามต้องเห็นกันนามก็เห็นรูปคือสติก็เห็นกายสติก็เห็นใจ ทั้งสองตั้งถึงแมกนกระทั่งมังคิดมันเคลื่อนไหวทางจิตารเครื่อนไหวของกายก็คือคู่แขนเข้าต้งเอาอยู่หลักตรงนี้เดี๋ยวแขนออกรูปตัวอยู่นี้มันยังคิดไปกต่เมืรูปจึกจริเป็นฐานเป็นที่ตั้งก็เห็นเงื่อนไขไม่หลับถานเบื้องต้น ได้คิดทำเกียบ ก, ก, กับตัวเองเหมือนกับไม้ผ่เอาไปไม้ผ่ที่แค่น้าย่อมสีไปไม่เกิดคนทุกงวันนี้เรา จ, จะไม่รู้จักคาว่าสีไปรู้จับไหมทำไมสีไป ไฟมันเกิดจากไม้ไผ่แห้งสีหาไฟได้แต่ตามกบลาไฟไล่ไปมาไม่มีไม่มีไฟเหมือนทุกวันต้องเอาไม้ไผ่สีไม่ไผแห้งสีกันบ่ก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเมื่อไม้ไผ่น้ำเปียกระด้บเรียมสีไฟไม่เกิด เ, เกียเทบกรีพไมเลยมันจุ่มกับความดความโลภความหลงมันจะไม่ปวดไม่ โ, โลภไมหลมได้ยังไหมน่าต้นนมันเกลียดมันก็ไห่เกิดกาหรืออเราก็เกียวเทียบไปหลาย อ, อย่างมันจุ่มยังไงมันเปิดมันเพื่อนมันเป็นยางไงภาพออกมา ไม่แผขึ้นน้ำไม่ไผกเขายไม่แห้ ง, งสีไผกเขายงไม่เกิดเอ่อพอมันก็สอนตนไม่แห้งไม่ผยามไม่ไผยเป็นตูชิกได้ิชช่ตอไม่แผ่ต้องแห้งจะสีไปเกิดขึ้นนด้เข้ามาฝตอนเด็กอย่าไปจุ่มอะไร ไอ้รูอยังเดียวควาู้ชึดตัวูตัวผู้แขงเข้าแข็งต่อแล้วก็มี้ลู่ยงเดียวไม่พาดกับที่ดียวแ่ที่สก็เกิดย้อเพนีวาสอนสติย่างเมื่อก่อนเป็นยงานเดี๋ยวนี้เป็นงคิดถึงตัวเองรู้ตัวเองมากที่สุด คอยดองคอยทุบคอยก่ อ, อกคอยรั่วคอยชำบทเพลงว่า ส, าสอนปัจจุบัคิดรลึกไปที่เดินผ่านมามันเป็นอย่างไรชีวิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างงไ ร, รยุคปัจจุบันเปรียบเทียบกับปัจจุบันเป็นอย่างไรตามเข้าั้ย เคยคิดถึงเพิมพาเคยคิดถึงเราเหมือนเคยคิดถึงพระราทิตย์สักสิสี่เดงอคานคิดถึงพระศาสัมฤกคิดถึงสอสนองความนันท์ไหมคิดถึงพระเจ้าจกักรพรรดิที่อยู่ในกรเมืองพาดมาไม่ได้ไปเหมือนก่อนรู้อยู่สมอ mm hmm. จุกโก ป, รปรจุบาดูเนี่ยไม่สนอะไรดูฉันโตดูฉ mm ั hmm. ววหกหล่อดูเนี่ยรู้นีย กรัวคิกตัวหลงกระดมันมันชาตไม่เป็นจริง น, นั่อยู่นี่มันคือของจริงคือรูปอยู่นี้เป็นจริงภาวะที่รู้จุดอยู่นี่ภาวะที่ถุดเนี่แมันก็ไม่เหมือนกับผักที่มันแห้งมาแห้งมันไม่เปียกมันไม่เป็ น, น จ, จุ่มไปแค่น่ะตนี้จุดก็เอาสวัสดิ์ขยุ่ยาบอยกิเลสธรรมะหละครับลงได ใช่ไม่ได้ให้ผมเป็นสองใช่ไมได้ชะให้โกดทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์รมคิดเป็ น, ป น, ป น, นไตไม่ได้เด็ดอะไรที่เกิดจากความคิดปุ้งแจงเป็นสมุทัยถ้าไม่เกิดปุง้งแจง้นมาเป็นไปไม่ได้เรียกว่าต่างเก่าคพราในวิปัสสนาเกิดขึ้นที่แล้วอวันเจ็เดืนอนกสองสาวันน่ะ ว่าได้เป็นมาแล้วเกิดขึ้นกับสมันชนคนนอนสองนหาร้อยเกปีถึงวันนี้เราก็ไม่ใช่แบบงงสีวๆเราทำตามตัวเท็จความจริงจริงเหมือนกันหมดชีวิตของ ถ้าพุทธเจ้ากระชีพของเราก็ไม่ตามกันในลูกมีนามเหมือนกันมีลอดมีหน่มีปวดมีเหนื่อยมีเจ็บอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเวลาเนี่ถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนเหมือนกันหมดเหตุกายก็เป็นกายเหมือนกันหมดเป็นธาตุสี่เหมือนกันหมดน้ําก็คือมันคิดมันรอดมันหน่อมันรู้จะได้เหมือนกันหมด สุกก็เหมืนกันหมดทุกขก็เหมือนกันหมดหลงก็เหมือนกันหมดอะไรก็เหมือนกันหมดหิวข้าก็เหมือนกันหมดหิวข้าวกินข้าวเหมือนกันหมดกลางคืนกลางวัข้าเหมือนกันหมดเราปฏิบัติเราเดินตามหอยจนมก็เหมือนกับเดินเหมือนกันเดินกายก็มีกายเหมือนกัน เวทนาบรรุทุกไปในกายก็มีเหมือนกันเวทนาบรรจุบรรทุกในจิตใจก็มีเหมือนกันหัวพุ่งหม้อหมอนก็มีเหมือนกันความคิดผงชาบก็มีเหมือนกันความดังเรสงสัยก็มีเหมือนกันทางที่นี่เหมือนกันความสงบก็มีเหมือนกันความผงชาบก็มีเหมือนกันความผิดก็มีเหมือนกันความถูกมีเหมือนกัน แค่เปลี่ยนเป็นถูกก็แค่เหมือนกันเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงก็พอเหมือนกันเปลี่ยนทุกเ ป, ป็นไม่ทก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เราไม่เปี่ยนสิ่งที่เราหลงผู้ที่เปลี่ยนเขาก็ไม่หลงแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนควหลงไม่เป็นความูกเราก็หลงเหมือนเดิมเป็น เป็นภุมเพียริว่าสารสติญาไม่ไ่ะเพราะมันไม่ต่างกัไ น, นไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็นปัจจุบันยังเป็นอันเดียวกันอยู่เพราะไม่เคยรู้ในควา ม, ลมลวหลงไ ม, มาามลลไม่เคยรู้หลงที่ใดก็เป็นน้องทุกทีไม่มีบุพิเพียริว่าสารสติญาญาไม่เกิดถ้าเห็นความหลง เห็นผู้หลงนี่กำลักจะเกิดยามขึ้นแล้วเห็นหลงไม่เห็นผู้หลงพ้นจากความหลงจากเนี้เรียก ว, ว่าเหมือนกันหมดปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างทำแบบ น, นี้ไม่งไม่มีสิ่งที่อ้างอ้ า, อ า, าวมาหนุ่มเอามาสาว ถ้ามาเท่าว่าแกพังว่าเป็นนักบวชทั้งว่าเป็นเคำว่าจนเลิกงานยามรีไม่ใชิในการเวลามันความหลงไม่มีเท่ามีแกไม่มีเลือกมีเวลาเวลาใดก็หลงได้จึงมีแต่การปฏิบัติที่ทาสมัยกับเรื่องนี้เท่านั้นทำสมัยจริงๆปฏิบัติเนี่ย เวลามันหลงรู้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีกันว่ากรารือวลาตากาด้วยกระทำถึงน่าจะมีกำลังกำลังใจจะตื่นเรือร่นโดนในฐนะแบบห น, นเปรียบเทียบกับคนอื่นบ้าง มีแบบอย่างอย่างน้อยเราก็มีธรร ม, มวินัยปฏิบั ต, ชบตรรมมิ ช, ช, อออตชอบตามธรรมวินัยผู้ชนผู้เชื่อฟังการสอนของพระเจ้ามีศรัทธาแล้วพากั น, นปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยเนี่ยสุทธิอันเนี้ยปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยความหลงไม่ใช่ธรรมมไม่หลงแต่ธรรม เมื shrimp, ่อ okay. ม He <us> ีกองเดินทำมันก็มีแบบที่ทําให้ไม่หลองที่ว่าแบบแขนวิ่งหนวิ่คือวิเศษในเยอะนําไปสู่ความวิเศษสู่จุดหมายปลายทางถึงที่หมายคนได้ทุกอย่างงที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยสิ่งที่หลุดร่นสิ่งที่หมดรู้จะกลัรู้สิงที่ต้องบรรเทาตามลำดับ สภาวะรมที่มันเกิดขึ้นมามีระเบียบไม่ใช่เป็นทุกทั้งหมดมิตรนัยเกี่ยวกับเสียงต่างมีมิตรนัยเป็นระเบียบที่ใช้ในการดใิใจย์ของชีวิตเราไม่ผิดฝาผิดหมางให้ยุ่งเหยิงกับจริงใดคนดื่นบุคคลเดิ มีระเบียบที่ปฏิบัติถูกความหลงไม่ถูกความไม่หลงมัถูกเรียนวนัยทำวหนักปฏิบัติตามทำ ไ, ได้ความทุกข์ไม่ถูกความไม่ทุกข์ถู ก, ถกระเบียบเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมาทำอะไก่อนมีแต่ ถ้าผู้ทีเจ้าจะรับปวดให้เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาก็ เ, าเพียงแต่ว่าตัวระบบผู้มีสติระย่ า, า ป, ปวดตามเพียงแต่ว่าจงเป็นพระภิกษุมาเกิดขำไม่ไหนเราปักไว้ดีแล้วจงพากันปัดตามทำไม่าหนนั้นให้เป็นชีวิตที่ทุกเกิดมีเท่านี้ต่อมาเมื่อมีคนบวชมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ไม่ไม่ปฏิบัติตามธรรมในที่เป็นข้อปฏิบัติจริงๆในการในใจก็เลยปัญญาขึ้นมาแช่พิกจุคูเก็ตยากผู้ดื้อด้านไม่รับเดี่ยวขึ้นมาเพราะเอาข้อร่วมไว้เหมือนหัวควายขึ้นมาดื้อต้งองร่วมข้อถ้าไม่ดื้อทำไม่ต้องร่ว ชีวิตของเรานี่ยเอาจริงมันก็ไม่ค่อยดื้อ น, นะถ้าเราดูดีๆไม่ดื้อหรอกไม่รู้จักเขเ็ดหล่อคนอะไรผิดทาไมเป็นถูกด้ถ้าคนดื้ก็ด้านตัว น, น, น, นี้นะกำลังเลงก็ด้านในความลงเวลาโกรธก็ด้านในความโกรธไม่อาคนเวลากโก แสดงใบหน้าออกมาได้แสดงขำพูดออกมาได้พิยามัญญาออกมาได้เช้าว่าออกไปได้กรทบกระเทือนต่อตัวเองกรทบกระเทือนต่อคนอื่นได้ถ้ามีสติ ม, มาน ค, ค่อยๆเชื่องลงมาเห็นแม้จะเห็นความโง่ก็ออถ้ามีสติที่มันเป็นสติปฐาน ถ้ามีสติเขาไม่เห็นความหลงไม่อาจความหลงถือว่าเป็นเงืนเลกน้อผู้มีสติเห็นความหลงเป็นของที่ใหญ่จุดจุดเกิดของความชั่วทั้งหลายดุจปิดามานดาของความชั่วทั้งหลายความหลงมานเป็เล็กน้อย ก็ไม่มีสติเป็นผูุกทนหรือว่าเป็นธรรมดาความหลงเป็นธรรมดายอมรับความหลงได้ไม่รู้จักว่าผีกว่าถูกบางทีก็ทาตามความหลงเกิดเกิดี่เหียกตำหนากธรนมดไปไกลายบางท่านจะทเป็นต้งเหี้ย มีสตตล์กาที่มันทำสมัยที่กรเห็นหลงเพราะมันจะคู่กับความรู้ความหลงกันคู่กันพอดีจับคู่ได้พอดีเมื่อเมื่อมีหลงมีรู้อย่างนี้ก็อยู่ในทางปฏิบัติต่อ็นงานปฏิบัติเกิดขึ้น แก่ลูปแก่นาเห็นภาพปฏิบัติโดยตรงม่าใช่รูปแบบต้องมีสติเห็นหน้ารอกเราต้องดูแลตัวเองคู่มือทั้งกายทังใจเหมือนเราดูแลปกคองสักจึงเงินทองของเรา ไม่ให้เป็นของเถือนสิ่งที่เรามีเจ้าของสิ่งใดมีเจ้าของเดวก็ยังมีอยู่เป็นปกปติปฏิบัติธรรมคือดูแลกายใจให้มันคุ้มเรียกว่าสตินี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นมาทางสติทั้งหมดสติเป็นป้อมปาการ เหมือนรักษาประเทศชาติอาไมจะผ่านมาทานี่ถ้ามีสติเป็นหน้าโลกไม่เผอแล้าเห็นทุกเรื่องถ้ามันมีสติจะไม่เห็นไม่เคยเห็นความคิดตัวเองบอกให้มันเข้าออกเถื่อน ต่าเป็นจิตก็เป็นจิตเถื่อนต่อเป็นกายก็เป็นกายเถื่อนมันเกีบรับมวลสมองตัวแล้วก็กายจิตก็เป็นโสเพณีจิตกายก็เป็นโสภีนิกายสส่วนท่านทำหม่อบทํากรมใช่ทําชั่วอะไรก็ไดเมื่อสึงใดมาสส่วนก็ป่าเถื่อน เป็นทางผ่านของพวกชั่วร้ายเหมือนทางผ่านของโจนมาที่ไ้ก็ต้อนรอบใครกต้อนรอบวงป่าเถื่อนกินเล้ามายาจิตใจก็ต้อนรอบควอมป่าเถื่อนกิเลสตะนหาบกปวดหลง ขอให้ปวดก็ปวดบาดความกวดให้ทุกขกทุกข์ให้สุขก็สุขถ้า แ, แต่เราจะประชยสองสอมามีสติไม่เห็นความคิดโอ้โก็ตื่นรูนด้ยอายุสองจิบปีไม่เคยเห็นคนคิดไปเคยค่้ยความคิดจิตใจตอเองน่าต่อสูนถ้าเห็นความคิดเห็น ความทั่วเ mm หน็นความคิดที่มันเคยทำมาฝากจิตเป็นทุกข์มันเคยเจอความคิดสงสารตัวเองไม่เคยช่วยจิใจม่นจะช่วยกอดไอ้ใจเหียดเี่ยงการสอบเวลายึดขึ้นมาก็ะโดดมันหลอกเป็นทุกข์ทั้งกาดเป็นว่าได้ความทุกข์ก็เจอความคิดหลอกจากเศ้าที่ปวจ พอมาเห็นความคิดเนีเอาแล้วมั่นใจในการใช้ชีวิตได้หลักวิธีการบนชีวิตที่ชัดเจนแม้ยอมปวดภัวมั่นใจเหมือนคนใช่เลยเป็นมั่นใจคนขับรถก็มั่นใจรถของตนเดงอดคนทำงทานกบมั่นใจในเครื่องมือทำ ง, งานของตนเดอง เรามีการเจรหญั่นเจริญที่ใช้ก่อนใช้จั่งจุกทิศุกทางมันเคยหลงเกียงไม่หลงได้อย่างงดงนาะมันเคยทุกเกียงไม่ทุกใ่อย่างงดงามแต่ตืยนรู้มาไม่ป่อตัวเองเองสอนตัเองก็สอนคนอื่นถ้สสาสอนตัวเองไม่เป็นลนะไม่ ส, สารคนอื่น ความหลงเนีนักผเนหลงเพราะแก่ขี้นี้ไคนเโกรธนักเกิดจากคนามหลงแต่ก่อนเห็นเโกรธก็ไปโกรธแั่คนโกรธเป็นคนนั่นเป็นคนไม่ดีมันมองไปถึงปอยเลยพาะมเห็นความหลงที่มันเกิดกับตัวเห็นความโกรธความทกเป็นเปลือกทีังเกตจากเปลือกก็เห็นต้นตของสีของคน ก้อน đá หลงก็เดินกอดที่หน้าฝนสาคิดจะช่วยเหลือพะลูกก็รู้จักบ่าข้าหลงถ้าเป็นทรรมบ่เข้าหลงก็คิดจะช่วยเ่ื่อแต่ช่วยตรงตรงไม่กด่าววนอย่างอื่นคิดจะจะช่วยเวลาเขาพูด ไม่อยู่ในวิสัยของสัมนาเวลาปฏิบัติธรรมทำท่าสบงบเียๆแต่เวลาหลงสแสดงออกมาเมื่อได้ปฏิบัติในวาราลา่หวันหลงใมความหลงเป็นความหลงกับที่จะพูดไปเสือน่ายเชื่อดอยเพื่อนน่าจะไม่รองแค่ใีหน้าจะไม่รล เดี๋ยวนี้นะาจะามัถตัตาเจีก็ล้องให้หนาวปีห้ารอยสิบหกชลลบสิบองศาไปดินทถป่าจะมอยู่เมืองเลยนะที่นี่นาะชลลบสิบเนี่ยน้อยล้องให้เดินไม่ได้ มองกับคืนไปเล็นเนลเไม่เดินไม่ได้กุ่มบาดเดินไม่ได้น้ำตาเจิมเดินไม่ได้ชอไปกอดเพื่อกันกอดท้านไอ้อุ่นเรชี้ไปกำมังจะขึ้นถนนกำลังจะขึ้นถนนค่าม้หนามาบาปาน เขาโผล่่าง่ามีหิมะจับขาวไปหมดเลยไปเก็บ ด, ดูฟานเป็นเปิดเป็นเปิดเป็นฟองออดมันเปิดออดเจอออกมาจ็ น, นั่นแสร็แล้วก็บอกให้เนมเ ล, เ, ล เ, ลเล้นเน้นโน่นเขายังถีดกับกยานปับไปทำ ง, งานในเมืองเขายังถีดกับยานยได้ไอไว้ปล่ไม่ต้อกวัวจับแขนก็ได้ตื่นเตินไปมา หนาวโซนรกรึเหยียบพื้นดินมันก็เหยียบฝอยความร้อนกาบความเย็นการเป็นความร้อนนะแล้วก็มื่อาวที่มงเข้ามอที่ความร้อนมันก็มีร้อนมันก็มีหนาวมันไม่จมั วลาเดก็หลงจนลงให้หนาวมากแต่ว่าก็มีคนกระทบกระเชียงหน้าผาลกลาะหมดเลยเหมือนปราวกแต่น้าออกไป <c oughs> หนาวนี่ก็รวบแหละเลยไหมลวกทั้งป่าเลย น, ะนี่อะไรก็ตามเอาไประทกทั้งหมดเลยมันไม่จ่ายหนาวก็ไม่เป็นทุกข์้ะ แลมนกไปกระทุกใช่ไหมนะใช่หรล้วนะเพื่อนเป็นไงเพื่อกระทุกเมากรทุกหรอมันมน่ามาจะกระทุกอนะ่ะอืมก็รู้จว่ารู้บัตรทน่ยมันทาสมัยมันช่วยกายช่วยใจช่วยูช่ว ย, า ย, ว ย, วยนามเาจะทุกข์ใจ ร้อนป็นทุกขการโกรเป็นทุกข์การใจโกรธทุกข์การเจียบเยี่ยงกันพราอมารูปควาเท็จความจริงมันมีรลเบียบบิดหน่ของลูกองหน่ำไม่ผิดฝาผิดมีอไม่เจียบเยียงกันสามันขีกันเป็นหนึ่งเดียวกั น, ก น, น, น, วกนพวกควบได้งา่ายดูแลได้งา่าย เหมือนกับจิ๋งเดียวกันเหมือนกับจิ่งกับจุจิจารว่าเอาเป็นนันเดียวกันเหมือนเช่นได้รอดอกไมานิ่งในเหมือนเช่นได้ร้อยดอกมามมอ ด, อดอกไม้มาต่างต้นต่างโขต่างสีตางสิ่งเมืม่อมาเข้าเช่นได้เป็นนักเดี่ยวยใจของเราเนี่ยก็เหมือนแม้มจะมี อะรที่มันเกิดกับกายมากมายเกิดจากใจเขามากมายแต่ถ้ามีพิษหนัมีพิธีปฏิบัติเต่กากายต่อใจตาอความเป็นตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในกำมือมั่นใจในธรรมความพิษหนัขับเคลื่อนพิษตรงตัวเองไปถึกฝาถูกฝ่อ ไม่ไปทางอื่นถึงจะไม่พลาดทางรวมหลงไปสู่ความไม่หลง ท, ทีทีใดก็ทีนะั้นรวมทุกไปสู่ความไมทุก ท, ทันทีทีใดทีนะั้นเมื่อไรเมื่อนั้นไปสู่ความจริงเสมอมีศรัทธาตรงนี้มากมีศีลก็มีตรงนี้มีสมาธิก็มีตรงนี้มีปัญญาก็มีตรงนี้ เล้อมโลกอยู่เลที่สุดหดจบสิ้นจิเรื่องกายเรด่องใจน่ะจะเป็นทุกข์เป็นโทษจะเป็นมีคุกพิจารณาทมใหม่จะต้องมีตงรวดสหารทำใหม่มันมีข้อปฏิบัติต่อกาต่อใจที่ถูกต้องอยู่เหมือนกนหบดเหมือนกันทุกชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ย่อมเอตตะทักขับเรืน่หนึ่งในการรักษากายใจที่เป็นรูปธรรมนี่จึงมั่นใจมั่นใจการทว่าที่ไหนทำแ บ, บนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ทย่างนี้มัน ม, มีอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าจาะรประคบรกปปางเจ้าคื ตอนพนึ่งพระพุทธองค์สแสดงตอนที่คนธรรมยาได้งไยงมตายหรืามได้สแสดงออกมาว่าการกิงจิตสมุทญาธรรมังสับพันธ์นี้เรธรรมมั น, น, มนติดชิด้นใดชิ้นหนึงแก่ขึ้นไปธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดามันดีมามันก็เกิดขึ้นมาเพื่อจับมันเกิดดับอาการเกิดดับ ที่หงปู่ทิยธรรมสุดแรงดูเสมอที่มันถึงจอมือคือเป็นักปนะ ก, ก, การเกิดดับจึงได้จริงเกิดขึ้นจรงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ไ, ไม่ใช่ตัวใช่ตัวสิ่งที่มันไม่เกิดอะไรนมันต่างหากมันจะไม่ละการเกิดแกจะตายได้อย่างไรทำได้ทุกคนวิธีปฏิบัติ กุยทางวีได้แล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลอ ง, องนี่เหยียบมันไปลุยมันไปแหลกเลยมูหลงมามแหลกเขนต้นาแหลกตรงนี้หลงรโกดหลงแหลกแต่ตรงนี้เหยียบไปแลมันทุบเกิดมันทุบไม่เป็นผู้ทุบเฉยมันโกดเห็นมันโกดไม่เนผู้โกดเสยตลอเลยลอย้อยแล้ว ที Luther an, Luther his so ่ใดที่นั่นก็จะลอยเหมือนเราเดินทอมจะลอยไปเหยียบไปหลงเดินหลงแม่กันบูหลงก็จะก้อนหลงอยเหงาก้อหลงมันจะมีหรือไม่ลอยหงส่วนไมอยเหากอนบูสักรึเปล่ไปได้แน่นอนตรงนี้หนาวหาวสลับสึกหาวเฉยตรงนี้มันทุกเดือนเล็ก มันคิดมากั่แหละดีแล้วจะได้เห็นมันคู่คู่ชกคู่ชกมันจะเป็ชี่ยงตรงนี้ใช่ไหมถ้านักกีฬาม่อชอบมันก็ไปเชี่ยะกันถ้าบางคนไปมันคิดมากนันแหละมัดีอย่าไปนึกว่ามันไม่ดีเลยไปนั่งสงบเจ็ดลยนะพระศิลาทับเจ้า พรกรมมถานทั้งหลายจอยู่ในความเจริกจะหวนมากบางกดเป็นอม้าดูน้ำอยู่ตลอบเวลาต้องยืนเดินน้ำหน่อจะบากเสมากยิ่งเกิดบรลูกมากมาเกิดคู่โซ ถอรออมาจากโซงเนี่ยที่เก่งขึ้นมาแล้วหลงเป็นผู้ช้องของวามรู้มาไ้นนความรูชนาญเพมันหลงหลงเจอได้รู้ที่นั้นอะไรที่แบนีเปียนดีที่นะไม่ต้องขอยอะไม่ต้องขออาไปจะขายสิทธิของหลอก รอยตัวเศเหยียบกันไปวิธีปฏิปบัติไม่ต้องไปเมื่อใดไร่จับเสียงเป็นจะเป็นอย่างไรรูธรรมเป็นอย่างไรมรรคผลที่ทานเป็อย่างไรไม่ต้องไปคิดเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ว่าเป็นอย่างไรก็อย่างไรไม่มีหัวใจา มิเจอว่ามันหลงแดี๋ยวมันหลงมาเป็นผู้หลงถ้ามันหลงที่ใดมันทุกข์ทีใดมันโกรธที่ใดมันคิดอะไรมิเจอทำวิธีเดียวมันจะยอืเลเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นเช่นไม่ใช่หลายอย่างใครก็ทำแบบเดียวกันหมดรู้ก็รู้แบบเดียวกันหมดรู้ทำก็เหมือนกันหมดถ้าเป็นชาว ีเป็นของจริงเรียกว่านิสสะอันจรเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งถ้าไม่ใของจริงก็แค่นคนเรายาบางคนเรามิมิตมาพูดให้ทตฟองเอาหน้ามากิงจริงเสียบอคนที่เห็นคนที่ไม่มีนิมิตก็มีเราไปเอาคนที่เกิดมิตมาเป็นแบบจาก มันไม่เด็ดมันไม่เติบก็ได้มิมิตมันไม่เกิดก็ได้เโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานนี่ไม่ค่อยมีมิมิตเมื่อไปสอนดำที่จังหวัดจันทบุรีมีสมนักปฏิบัติธรรมสมอขอสอนให้เห็นธรรมกายแล้วก็ให้สอนลำงู้ ขอพูดตัวหน่อยไดแล้วก็จบกแก้ ว, กกวขึ้นมาให้คนทั้งหลายมองดูลูกแก้วเห็นลูกแก้วทุกคนก็เห็นเห็นทุกคนนะดูให้ติตานะกเกดให้ติตานะ ล, กกลูกแก้วนะเรตาดูที่เห็นหมเราตาดูตรงตรง ต้องดูให้ติดตามองันเห็ตตาวก็เห็นอเตอว่าเตาัวก็เห็นถ้าคิดอ่ะถ้าคิดเห็นก็เห็นถ้าตนเ็นิงมเห็นงคนก็เห็นเห็็ก็เห็นลกแ้วตนลื่อนลงมา จะขอดองมาเนาลองไปแล้วลองไปแล้วมาที่จะดลองไปแล้วยกแก้วได้แค่มาเนือสรีสนิ้วให้ปริกรรมสังสมารัางใจเดิมธรมะการเพยายามสอนก็สอนพอเวลาสามสินทีจะต้องเก็บธรรมะการแน่นอน สองทีมานกีก็ไม่มีใครเกิดธรรมกายเพราที่ต่อสองทีมันกีก็ไม่มีใครเกิดธรรมกายเอ๊ะทมเป็นอย่างนั้นแล้วสองคนต้องเก็บที่ปดทคนถ้าเป็นเช้าโมงต้องเกิดธรรมกายต้องไม่น้อยคนสองคนสองคนทำไมจึงไม่เกิดธรรมกายนย ถ้าไปลองพ่อพาโอที่นี่เขาเกิดสติการเขาไม่เกิดที่นี่เกิดน้ำเกิดลูกเกิดน้ำมากินไม่เกิดที่นี่เกิดน้ำขึ้นมาน้ำเกิด่วนนั่งเห็นลูกเห็นน้ำเห็นความหลงเห็นความไม่หลงเห็นความผิดเห็นความผูกเห็ความง่วงที่มันเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยมันคิดเห็นมันคิดเนี่ยไม่เกิดคุณคิดไม่เข้าไปในความคิดเนี่ย มันคือเข้าไปหาอะไยจะจีร่าจะจิงเป็นสมาธิเป็นกัญยาได้ตัดกิเลสตัณหาได้ตรนี้ดับกองรูปของโกดองลงได้เพราะมันมีความรู้ก็้าไปเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปนามเนี่ยจะรูปถึงนามตามความจริงรูปที่มันทุกข์ทั้งหมดเห็นหมดทุกข์ที่เกิดกับรูปทุกข์ที่เกิดกับนามเห็นหมด มาให้เห็นหมดไม่ปิดบังเปิดเผยมาดูจริงๆเนี่ยจับขึ้นมาดูว่าที่มันเป็นอย่างไรเหมือ น, นมันจะศึกษาเหมือนนายแพทย์ศึกษาทางแพทย์เอาศพมาพารู้จริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ขาดหรอกมาเอารูปมาดูเนี่ยรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอาการาธรรมชาติมันเหลือหรือเปาให้ได้เห็นมันเรียกว่า คุเห็นไม่ใช่แต่คิดเห็นเห็นล้วสมาร์ถดาวเห็นบางอยา่างกำหนดรูดการรู้เฉยๆไม่เคยทำอะไรกับมานเลยหมาย เ, เจอเข้าหมาจะออกหยุดเข้าหมายจะมาไม่ได้มีแต่กำหนดรูปไว้เอามาเป็นประโยชน์ ทุกส่วนของล่างกายมันเป็นวัตถุอุปกคคลทิฏควงดูในขณะหยาบหยาจางกลางอย่างละเอียดจางหยาบประลบมือเคลื่อนไหวผู้เห็นเข้าเหยียดหยื่อโดจางกลางประมาหายใจเข้าหายใออกทิฏตาคือหนังหลหยาบละเอียดคือมคิดมันสติที่ไปเห็นความหยาบหยา ถสติจะเห็นตามตามเห็นออกมาจากสติเห็นความคิดบางทีอยู่ๆจะไปบังคับความคิดเลยมันก็ไม่ไม่ได้สติยังอ่อนสู้ความคิดไม่ได้ก็จะความเบื่อเจ็บหลับไปเลยไปเจอความคิดไปบังคับให้มันคิดให้มันมมสงบสติต้องทาให้มันสงบไม่ต้องกับบังคับของคิดเคยฝเคยสอนให้เป็นตัวเขียนบ้าง วกพุทโธพุทโธพุทโธตามลเข้าตามลองออกหายใจเข้าพุทหายใจออทบริารนีนาน่งเไปนิ่งเรไปหลับตาเราแค่ตัวแขงก็ไม่หายใจจะแคบเดียว <c oughs> มันก็แขงกระเดือนแต่วันไม่ได้กระโดดอะลรนี่งม่ต้องให้เป็นแบ น, นั้นใหนมน้มัรู้ว่ามาตื่นออกมาดูมัน ยี่บกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานพระใช่สมถกรรมฐา น, มานสมถกรรมฐานเกิดก่อนพุทธศาสนาห0 0ยพปีเทิต่กรดาบบุตรกรดาบทตระดาบบต่างๆเกิดมาแล้ววิปัสนาเกิดในเป็นเดือน6นั่นได้สองพนห้ารอยเ9ปีนี้วิปัสนาเกิดตรงนั้นเขื่อนเข้าเขื่อนออก เนี่ยรูกจัวตเนี่ยถังจพระเจ้าสอน น, น, ออนั่นนะแล้วไเจ้าี่ต้องมีแนี่ยนะมั้มีรูมีหลงมีทุกข์มีไม่ทุกประ เ, ระเระนีย่ยปะเหี้ยปะตรเนี้ยเพราะนั่นวันนี้ในช่วงศัปดานี้ไม่มีคนกระทบตัวเราด้วยหลักสางมันชนคนหนึ่งที่ปฏิบัติแบบนี้เกิด เป็นพุกเจ้าเป็นมาตรามีการทำเกิดขึ้นมีพระสงฆ์เกิดขึ้นจงมีมาให้เราอยู่ในทุกวันนี้เกิดจากวันนี้จากวันนี้ใกล้ๆเนี่ ย, ยวันนี้กีเข้ามาละกระจายโล่นจะหน่อยเตรียมรับ <c oughs> อเอาไว้เตรียมรับพระพุทธเจ้าออทุกคนนะมีปรากฏต่อเราไม่ใช่เป็นส่วนตัวของบอเพื่อทุกชีวิต การถัดสู้พระเจ้าเพื่อทุกทิว ท, ท, ที่เกิดการแล้วเรก็ยาสละเจตจักรทำในใจทำมาได้แต่ทำในใจต้องถือว่าได้แน่นอนก็คือเราตัวเราเนี่ยมีคุณธรรเหมือนพระเจ้าเมื่อตตาที่คุณเจริญที่คุณบริสุทิที่คุณปัญญาที่คุณในรูปในานามของเราเ น, นี่ยยาสละเชตจักมันก็เลย ไม่ไม่จะมาจานมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นครูอาจารย์คำแบบเดียวกันะไม่ผิดแน่นอนรับผิดชอบถ้าไม่สติเปลี่ยนหองเป็นไม่้องเปลี่ยนทุกเป็นไทุกเปลี่ยนศพเป็นไม่ศพเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่เป็นรูปเป็นลู่กันทั้งหมดลาไปเลย ไม่มีอะไรที่จยิงอยได้กัวกลองรู้สตรนที่สุดไม่เป็นอะไรสักปะล่ามันขามานหดถึงจะน้อยไปเท่า